รวมทั้งตัวเราที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี้ก็มีกราบรูปเล็กๆเนี่ยมาประกอบเป็นข้าเป็นรูปร่างกายขึ้นมาก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้อันนี้เรียกว่ารูปรูปร่างนี้เจริญมาด้วยอาศัยกะวบิงการอาหารคืออาหารที่เราบริโภคกันลงไปทุกๆวันเนี่ยและข้าวน้ําที่บริโภคลงไปทุกๆวันมันก็สําเร็จเป็นรูปร่างกายเหล่านี้ขึ้นเป็นผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมีเป็นม้ามเป็นตับเป็นพังผืดเป็นไส้ใหญ่ไส้น้อย เป็นดีสเลตน้องเลือดต่างๆก็ได้มาจากอาหารเหล่านี้แล้วมันก็กลั่งกรองเป็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงได้ตรัสเทศนาว่าบุคคลผู้ให้อาหารเช่นอย่างเราให้อาหารเป็นทานหรือเราทำบุญด้วยอาหารเช่นอย่างใส่บาตรตอนเช้าๆเนี่ยเราใส่บาตรพระก็ดีหรือไปเลี้ยงพระเลี้ยงเนนก็ดีหรือให้อาหารแก่คนอื่นบริโภคก็ดี การให้อาหารนั้นไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่าให้อาหารเท่านั้นแต่ท่านตรัสว่าที่เราให้คนบริโภคอาหารไปมือหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราให้วันนะให้สุขะพัละปฏิพานคุณสารสมบัติถึงห้าอย่างวันนะสุขะพละปฏิพานและคุณสารสมบัติหรือธนะสารสมบัติก็ได้เนี่ยถึงห้าอย่าง ที่ว่าให้วันณะเนี่ยหมายถึงว่า เ, เมื่อเราให้คนบริโภคอาหารลงไปแล้วเขามีอาหารบริโภคอิ่มหนำสํารานดีผิวพันธุ์ก็ผ่องใสนะผุดผ่องมีวันละขึ้นมาแล้วทําให้ผิวพันธุ์เปล่งปลังขึ้นมาก็เพราะว่ามีอาหารบริโภคดีผิวพันธุ์ก็เปล่งปลังเนี่ยเท่ากับเราให้วันณะคือผิวพันธุ์แก่คนอื่นให้สุขะคือคนที่บริโภคอาหารแล้วเขามีความสุขเขาไม่ต้องทุรนทุรายจากความหิวกระหาย เมื่อบริโภค อ, อาหารลงไปสู่ภายในแล้วความสุขก็เกิดเมื่อบริโภคลงไปแล้วนอกจากมีความสุขก็ทําให้มีกําลังวังชากําลังนั่นแหละเรียกว่าพละทําให้บุคคลเหล่านั้นมีกําลังถ้าคนนั้นเข้าไปศึกษาเ ร, าเรียนด้วยก็เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจก็เท่ากับเราเนี่ยได้ให้ปฏิภาณแก่เขาเช่นอย่างเราใส่บาตรพระพระท่านประเรียนพระธรรมวินัยท่านเกิดความรู้ในด้านการศึกษาพระธรรมวินัยขึ้น สติปัญญาเกิดไว้พริบปฏิพานขึ้นปฏิพานเหล่านี้ก็เกิดมาได้เพราะอาศัยอาหารอีกเหมือนกันส่วนคุณสมบัตินั้นคือเมื่อท่านขบชันอาหารของเราแล้วท่านไปเจริญสมณธรรมท่านอาจจะสําเร็จฌานอาจจะสําเร็จมรรคผลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนแห่งคุณสมบัติหรือท่านอบรมตนให้เป็นบุคคลที่ดีอันนั้นก็จัดว่าเป็นคุณสมบัติฉะนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราเนี่ยให้อาหารแก่บุคคลอื่น หรือให้อาหารแก่พระเนมแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยเราได้ชื่อว่าให้วันนะสุขพะพละปฏิทานและธนาสาคุณาสาสมบัติแก่ท่านด้วยคนอันนี้จะทําให้เราเกิดธนาสาสมบัติต่อไปเพราะว่าเราได้ให้อามิสทานแล้วจะเกิดชาติใดชั้นใดเราก็ไม่เป็นคนยากไรอนาถาเราจะเป็นคนที่พรั่งพร้อมด้วยปัจจัยสี่ไม่อดยากอันนี้ก็เนื่องมาจากเพราะว่าเราได้ทาบุญไว้ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารนี้ที่เราได้ให้กันอยู่เสมอทุกๆวันนั้นมีความหมายาลึกซึ้งไปอย่างกว้างขวา ง, วางถ้ามองใน ด, ด้านของบุญกุศลแล้วก็ทําให้เกิดบุญเกิดกุศลมากมายเพราะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเราให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่บุคคลใดก็ตามเราย่อมจะได้สิ่งนั้นกลับมาเป็นผลตอบแทนเช่นเราให้ วันณะแก่คนอื่นเราก็ต้องได้วันหนะกลับมาเราได้กับให้กําลังแก่คนอื่นเราก็จะเป็นผู้ที่มีกําลังขึ้นมาไม่เป็นคนอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยเราให้ความสุขแก่คนอื่นเราก็ได้รับความสุขตอบแทนเราให้ปฏิภาณให้ไหวพริบให้สติ ป, ปัญญาแก่คนอื่นเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตอบแทน <c oughs> เราให้คุณลักษณ์ให้คุณสมบัติแก่บุคคลอื่นเราก็ย่อมจะได้รับคุณสมบัติเป็นเครื่องตอบแทน ฉะนั้นการให้สิ่งใดก็เหมือนกับการหวานพืชสิ่งนั้นเนี่ยลงไปผลที่ปรากฏเกิดขึ้นก็ย่อมจะตรงกับที่เราทําด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายที่บําเพ็ญทานบารมีด้วยการให้อาหารเป็นทานหรือจะใส่บาตรทุกๆวันก็ตาม <c oughs> ย่อมจะมีพระอนิสงส์อย่างเนี้เพราะอาหารที่เราให้ไปนั้นเป็นกว่ลิงการอาหารเนี่ยกว่าลิงการอาหารนี้เป็นอาหารที่ สำคัญข้อหนึ่งเป็นข้อแรกส่วนผัสสาสารที่ว่าอ อ, อาหารคือผัสสะและอาหารคือผัสสะเนี่ยนําอะไรมาะบอกอาหารที่คือผัสสะเนี่ยนําเวทนาสามมาเวทนาสามในที่นี้ก็คือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาสามอุเบกขาเวทนาคําว่าเวทนาเนี่ยหมายถึงความสเสวย อ, อารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือการสเสวยอารมณ์ที่ปานกลางคือเฉยเฉยเนี่ยรวมเรียกว่าเวทนาแปลว่าการสเสวยอารมณ์ <c oughs> ภาษานามาซึ่งเวทนาสามก็เพราะว่าเมื่อมีการกระทบกับวัตถุภายนอกกับวัตถุภ า, ายในหรืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเนี่ยมากระทบกันเข้ามันก็ย่อมจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยเช่นอย่างตาเราได้เห็นรูปที่สวยๆงามงาม เราก็รู้สึกเป็นสุขหูเราได้ยินเสียงที่ดีที่ไพเราะเราก็เป็นสุขจมูกเราได้กลิ่นที่หอมหวนดีเราก็เป็นสุขลิ้นของเราได้ลิ้มรสที่ดีก็รู้สึกเป็นสุขกายได้สัมผัสถูกต้องในสิ่งที่ดีเราก็รู้สึกเป็นสุขหรือใจนึกคิดในอารมณ์ที่ดีเราก็รู้สึกเป็นสุขเนี่ยุขเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเพราะผสะคือการกระทบเป็นปัจจัยแต่บางครั้งถ้าเรากระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้น ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์เช่นได้เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสสัมผัสถูกต้องนึกคิดทางใจในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอนิจฐานลมเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีความทุกข์อันนี้เป็นเวทนาเกิดขึ้นเพราะกระทบกับอนิจฐานลมคืออารมณ์ที่เราไม่พอใจก็เกิดทุกข์ขึ้นทีนี้ถ้าเกิดไปกระทบกับอารมณ์ที่เป็นปานกลางมันก็เกิดเป็นอุเบกขาเวทนาคือไม่รู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์คือมีความรู้สึกเฉย ต่ออารมณ์ที่เราได้เห็นได้ฟังหรือได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสถูกต้องได้นึกคิดความรู้สึกก็อยู่ในระดับปานกลางเฉยๆอย่างนี้เรียกว่าอูเบขาเวทนาเพราะฉะนั้นในเวทนาสามประการเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยภัทธะเป็นปจัจจัยภัทษะจึงนำมาซึ่งเวทนาทั้งสปัจจุบันนี้ที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆก็เพราะอาหารประเภทนี้คือพัทะ ภกษาเป็นอาหารอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าทุกคนจะแยวงหาอาหารประเภทนี้บางทีกะวะลิงการาหารนั้นกลับไม่มีความสําคัญเท่าไหร่ในเรื่องของรสอาหารแต่ไปสําคัญที่ผักษาอาหารผักสาหารเนี่ยกลับกลายเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งขึ้นมาสมัยก่อนนี้กะวะลิงการาหารเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแต่สมัยปัจจุบันนี้ผักษาหารเป็นอันดับหนึ่ง ที่ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเราจะสังเกตได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆสมัยปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยอดีตสมัยอดีตนี้คนโบราณก็ถือว่าอาหารเป็นเรื่องสาคัญแม้แต่การที่จะผูกความรักอันแน่นแฟ้นระหว่างสามีภรรยาท่านก็สอนว่าต้องผูกจิตใจกันด้วยอาหาร คนโบราณที่มีลูกสาวจะสอนลูกสาวเลยว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ปลายจะะังวัดคล้ายๆกับว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะมีสเสน่ห์สามารถที่จะผูกจิตใจผูกความรักของสามีให้รักบ้านรักครอบครัวหรือรักตนเองอย่างแน่นแว้นเนี่ยก็เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นจำเป็นต้องเก่งการครัวต้องปรุงอาหารดีถูกปากจึงจะสามารถผูกความรักอันนี้ไว้ได้ก็ถือว่าสเสน่ห์ยอยู่ที่ปลายจหวะั จึงได้ข้ามสอนในเรื่องของการครัวในเรื่องของการปรุงอาหารจนกระทั่งมีประเพณีบางแห่งเนี่ยก่อนจะไปสู่ขอลูกสาวบ้านใดนี่จะต้องไปแอบฟังดูว่าลูกสาวบ้านเนี้เขาตำน้ําพริกเสียงเป็นยังไงคือจะต้องฟังเสียงเอสาธิตโคล ก, กับบครเนี่ยมันดังยังไงดังมากหรือดังน้อยก็ไปแอบฟังซะก่อนถ้าหากว่ารัวถียิบดันเต๊กเต๊ก แ, แสดงว่าอา่าคนนี้ใช้ได้การครัวคงจะเก่ง และจึงจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอกันเนี่ยประเพณีสมัยก่อนใช้วิธีอย่างนี้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าใครไปสอนลูกสาวอย่างนี้ลูกสาวก็จะค้อนตาลับตะเลือกว่าคุณแม่นี่คลืไม่เข้าเรื่อง<แ>ผู้ชายสมัยก่อนมันเห็นแก่ปากแก่ท้องแต่ผู้ชายสมัยนี้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วละ่ะทาอาหารอร่อยไม่อร่อยไม่สาคัญขอให้แต่งตัว ส, สวยๆ ง, งามๆก็ใช้ได้ สมัยนี้ก็ใช้ผูกปิ่นโตฉันอาช้พผูกปิ่นโตรับประทานหรือไม่ฉช่นั้นก็บ้งไปนั่งตามพัตตาคารบางตามในคลับบางากินไปดูฟอร์โชไปฟังนักร้องร้องเพลงไปฟังดูเขาเต้นระบาไปแล้วก็บริโภคอาหารไปเดี่ยสแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นผัตตะซึ่งเป็นอาหารข้อที่สองเนี่ยมันกลับกลายเป็นอันดับหนึ่ง เป็นความจําเป็นอันดับหนึ่งในในสังคมของบุคคลในปัจจุบันเนี่ยแต่ก็คงจะไม่ทุกกลุ่มหรอกเป็นเฉพาะบางกลุ่ม ท, ท, ทั้งท้งที่ท่านกวางและผัสสะเนี่ยเป็นรองจากกวลิงการอาหารจากว่าเป็นอาหารระดับสองระดับหนึ่งนั่นคือกวลิงการอาหารระดับสองคือผัสสอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นผัสสะนี่อาหารข้อนี้จึงานามาซึ่งความสุขความทุกข์ และความรู้สึกเฉยๆบานกลางเป็นเป็นผลที่ได้มาจากผัสสาหารส่วนโมสันเจตโนสันเจ ต, น, น, เจตนาหานั่นนำปฏิสนธิในภพสามมาคำว่านำปฏิสนธิในภพสามนี้คำว่าภพหรือภาะวะเนี่ยแปลว่าความมีความเป็นหรือถ้าแปลให้เข้าใจคือที่ที่สัตว์ไปเกิดเนี่ยเรียกว่าภพภาะวะ ในทางพระพุทธศาสนาสแสดงภพไว้สามภพคือหนึ่งามมาภพสองรูปประภพสามอรูปประภพตามมาภพเนี่แปลว่าภพที่สัตว์เกิดขึ้นแล้วแสวงหาความสุขทางกามมีอยู่ทั้งหมดอบายภูมิสี่มนุษยภูมิหนึ่งเทวภูมิเจ็ดรวมทั้งหมดเป็นสิบสองภพสิบสองภูมิอันนี้เรียกว่ากามมาภพ เป็นภพที่สัตว์แสวงหาความสุขทางกายภพประเภทที่สองคือรูปประพบหมายถึงภพที่สัตว์ทั้งหลายนี่แสวงหาความสุขทางรูปประจานหรือทางสมาธิได้แก่รูปประพรมภพที่สามคืออรูปประพบได้แก่ภพที่สัตว์แสวงหาความสุขในอรูปประจานได้แก่อรูประภูมิหรือได้แก่อรูปประพรมเนี่ยรวมทั้งหมดเป็นสามภพเดวยกัน ท่นี้พบทั้งสามเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายจะไปเกิดในภพใดภพหนึ่งนี้อยู่ที่เจตนาเจตนาเนี่ยก็คือกรรมนั่นเองแล้วแต่กรรมของแต่และบุคคลที่กระทำไว้แต่บุคคลเหล่าใดทํากรรมชนิดไหนกรรมอันนั้นแหละมันจะส่งผลไปตามคติของกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นคําว่าเจตนาเนี่ยหรือมโนสัญเจตนาซึ่งได้แก่อาหารคือมโนสัญเจตนานี้ก็คือเจตนาอันเป็นตัวกรรมนั่นเอง ที่เกิดขึ้นภายในจิตเมื่อกรรมชิดนี้เกิดขึ้นแล้วกรรมอันนี้แหละที่จะนําพบทั้งสามมาตราบใดที่สัตว์ทั้งหลายยังมีกรรมคือการกระทําอยู่วิบากคือผลแห่งกรรมก็อย่อมจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นฉะนั้นเมื่อเราประกอบกรรมเช่นใดมาเราก็ได้พบเหล่าเนี้มาพบเหล่าเนี้ยจึงได้มาด้วยอํานาจของมโนสัญเจตนาซึ่งเป็นอาหารอันหนึ่งเนี่ยมโนสัญเจตนานี้ <c oughs> ถ้าเร า, าพิจารณาเปรเียบเทียบกับในปัจจุบันเนี่ยอย่างชีวิตของสัตว์หรือชีวิตของคนจะไปสู่ในพบใดภูมิใดก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับมโนสัจเจตนาแล้วเราก็อาจจะเกี่ยวกับวัตถุอย่างอื่นๆได้อย่างปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ที่ไปลงดวงจันทร์ได้ก็ต้องอาศัยยานยานอาวกาศนําไปลงบนผิวพื้นดวงจันทร์ไปอยู่โลกพระจันทร์ได้ จะกลับจากโลกพระจันทร์มายัางโลกมนุษย์ก็อาศัยยานชนิดเนี้จากโลกพระจันทร์มาโลกมนุษย์ได้แปลว่าชีวิตของมนุษย์ที่มาเกิดในโลกมนุษย์นี้เราก็มาจากพบอื่นเหมือนกันเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยเราอยู่ในพบไหนเราก็ไม่รู้อาจจะเกิดอยู่บรรเทวัโลกหรืออบา ย, ยภูมิหรือพรมโลกก็ไม่ทราบเราได้ตายจากพบอื่นมาแล้วแล้วเราก็มาเกิดในโลกมนุษย์นี้ แต่การมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้มาด้วยยานอวากาศเรามาด้วยมโนสัญ น, นามาด้วยเจตนาคือกรรมกรรมเนี่ยนำเรามาเกิดในโลกมนุษย์และเราก็มาเป็นมนุษย์อย่างนี้การเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็มาด้วยกรรมกรรมเป็นผู้นามาเกิดกรรมที่นำมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นกุศลกรรมถ้าอกุศลกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นช้างม้าวไฟ เป็นแมวเป็นหมูเป็นสุนัขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ด้วยอํานาจของอคุศุรกรรมหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอันนี้ด้วยอํานาจของอคุศุรกรรมชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็ไปเกิดในภูมิที่ต่ําตาๆอย่างนี้อย่างเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็ถือว่ามาด้วยอํานาจของกุศลและเจตนาหรือกุศลกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนก็ส่งผลมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วเราก็เป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ย จึงนำมาซึ่งพบทั้งสามและจะไปสู่พบใดก็อยู่ที่เจตนาตัวนี้เจตนานั้นจึงเป็นเป็นอาหารที่นำาพสามมาให้แก่ชีวิตของสัตว์ส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยนำนา ม, มารู้ปในขณะที่ปฏิสนธิมาเพราะวิญญาณในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอาตัวปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนั้นมีหน้าที่ อย่างลงสู่การปฏิสนธิคือการเกิดอย่างก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ก็ต้องปฏิสนธิวิญญาณดวงเนี่ยมาทําหน้าที่ปฏิสนธิในครันของมารดาก่อนเมื่อทําหน้าที่ปฏิสนธิในครันของมารดาก็มีนามรูปเกิดขึ้นนามรูปในที่นี้ก็หมายถึงนามเจตสิกกับกรร ม, มชรูปมันก็เกิดขึ้นในครันของมารดาแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีรูปมีร่างเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้ก็โดย อ, อาํานาจของนามรูปที่ได้มาจากวิญ ญ, ญาณนั่นเอง เป็นอาหารเป็นผู้นำมาเพราะฉะนั้นในอาหารประเภทที่สี่คือวิญญาณอาหารนี้จึงนำมาซึ่งรูปนามในขณะปฏิสนธิคือขณะที่เกิดเพราะวิญญาณดวงนี้พอทำหน้าที่ปฏิสนธิแล้วนามรูปก็เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิแล้ววิญญาณดวงนี้ก็ดับไปจะเกิดขึ้นพบหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ดับไป แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นผลมาจากปฏิสนธิวิญญาณนี้ก็คือรูปกับนามเรามีรูปมีนามเนี่ยเกิดขึ้นและรูปน้ำอันนี้ก็เจริญเติบใหญ่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็โดยอาศัยวิญญาณชนิดเนี้ทําหน้าที่มาปฏิสนธิเพราะฉะนั้นในคําคําว่าอาหารโดยด้านของความหมายนั้นท่านจึงหมายนำถึงสิ่งทั้งหลายเหล่ า, นาเนี้ยมาเนี่ยโดยประเภทของอาหารว่าอาหาร ซึ่งแปลว่าย่อมประมวลมาหรือนามาเนี่ยประมวลอะไรมานำอะไรมาคืฉะนั้นก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่ากะวะ่าลิงการาหานนั้นนำรูปซึ่งมีโอชาเป็นที่แดมาผัสสหานนำความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยที่เรียกว่าเวทนาทั้งสามมามโนสันเจตนาหานนำพบทั้งสามมาวิญญาณาหานนำนามรูปมา อาหารจึงแปลว่าสิ่งที่นํามาหรือประมวลมาทีนี้ทําไมพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยพิจารณาโทษของอาหารคําว่าภัยเนี่ยท่านกล่าวว่าอาหารนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นโทษอันหนึ่งทงั้งๆที่อาหารมันเป็นความจําเป็นแก่ชีวิตของสัตว์ก็จริงแต่พร้อมกันนั้นอาหารเนี่ยก็เป็นภัยอันหนึ่งเหมือนกันภัยของอาหารเนี่ยมีอะไรบ้าง ถ้ามอว่ว า, วากะวะลิงการาหารเนี่ยมีความใคร่เป็นภัยมีความใคร่เป็นภัยในกะวะลิงการาหารอาหารที่เป็นกะวะลิงการาหารที่ว่ามีความใคร่เป็นภัยนั้นหมายถึงว่าอาหารประเภทนี้ทำให้เกิดความใคร่ได้และความใคร่นั้นก็เป็นภัยของสัตว์โลกอันหนึง่งร่อถ้าหากว่าสัตรรว์เหล่าใดมีความใคร่มากก็มีภัยมาก อายุสั้นและปัญญาเสื่อมนเนี่ยเนื่องมาจากเพราะโทษเกิดมาจากอาหารประเภทนี้อาหารนอกจากจะมีความใคร่ดังกล่าวเป็นภัยแล้วบุคคลใดที่บริโภคอาหารด้วยความใคร่ด้วยความกำหนัดยินดีท่านก็บอกว่าเป็นภัยเหลือเกินอย่างคนที่บริโภคอะไรยากจุกจิกจูก้จี้เดี๋ยวจะกินอย่างนั้นเดี๋ยวจะกินอย่างนี้ มีภัยมากเป็นภัยมากเพราะฉะนั้นกะวาลิงการาหารจึงมีความใกล้เป็นภยัยส่วนภสษาหารนั้นท่านบอกมีการเข้าไปใกล้เป็นภยัยมีการเข้าไปใกล้เป็นภยัยการกระทบกับอารมณ์ภายนอกเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปใกล้แล้วมันก็มีภัยมากขึ้นส่วนมโนสัญเจตนาหารนั้น ท่านบอกว่ามีการก่อให้เกิดเป็นภัยคำว่าการก่อให้เกิดนี่ก็เพราะว่า <c oughs> กรรมนั้นทำให้เราเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆในภพภูมิต่างๆเนี่ยมันเป็นภัยของสัตว์ที่ไปเกิดเพราะมาเกิดแล้วก็มีภัยรอบตัวอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะคิดว่าเราเนี่ยปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยแม้แต่ท่านจะอยู่ในรั้วในวัง มีกำแพงสักสิชั้นท่านก็จะคิดว่าท่านเนี่ยปลอดภัยหรือเราอยู่ในห้องหับที่มิดชิดก็จะคิดว่าเราเนี่ยปลอดภัยภัยของชีวิตเนี่ยมันมีมากทั้งภัยภายนอกและก็ภัยภายในมันมีอยู่เกิดขึ้นเป็นประจำเราอาจจะประสบก่อภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะคำว่าภัยไม่ใช่หมายถึงแต่เพียงว่าจะมีคนนั่นคนเนี้ยมาประทุสร้ายเรา บางทีกำลังบริโภคอาหารอยู่อาจจะมีภัยก็ได้ท่านทั้งหลายคงจะเคยทราบว่ามีบางคนกำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วก็สำรักอาหารอาหารไปปิดหลอดลมหายใจไม่ออกตายกินอาหารตายเนี่ยต้องมีเราจะได้ยินข่าวบ่อย จะเห็นได้ว่าแม้แต่กําลังรับประทานอาหารด้วยความเลิดเพลินด้วยความอร่ อ, อยอร่อยบางทีก็ตายเอาง่ายๆเหมือนกันเพราะว่ามันมีภัยอยู่ส่วนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันมีอยู่เป็นประจําแล้วภัยอันเนี้ยบางทีไม่ใช่อาหารบางทีน้ําเนี่ยมันก็เป็นภัยน้ําที่เราดื่มกันลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีมันก็เป็นภัยเหมือนกันอาตมาเองเคยพบ ในชีวิตคิดว่าคงจะไม่ได้มายืนบรรยายอย่างนี้แล้วนึกว่าตายเหมือนกัน เ, เมื่อวันที่12เมษายนที่แล้วมันเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาอาตมาก็อมน้ำเกลือน้ำเกลือที่ต้มมาจากใครกัแตะใครว่าเป็น มีประโยชน์เพราะว่าอมแล้วทําให้ปันแน่นก็อมน้ำเกลืออมน้ำเกลือเสร็จก็กวาดกุติฝ้าไม่กวาดกวาดกุติหูก็บังข่าวิทยุเพลินไป <c oughs> เผลอยังไงไม่ทราบน้ําเกลือมันไหลลงคอพอไหลลงคอก็สํารักพอสํารักก็คายน้ำเกลือออกแต่พอคายน้ำเกลือออกแล้วเนี่ยหายใจไม่ได้ มันมีอะไรไปอุดอยู่ไม่ทราบจะดูดอากาศเข้ามันก็ไม่เข้ายังให้มันออกมันก็ไม่ยอมออกยืนแก้ไขยังไงสักสิบนาทีได้แก้ไขไม่ตกแล้วอยู่คนเดียวด้วยสมณเณรก็ไม่ได้อยู่เอทํำยังไงนึกว่าไม่รอดแน่แหละมันไม่ยอมหายใจเฉยๆอย่างนั้นแหละตมาก็เลยแก้โดยการกลั้นใจละ่ะไม่แก้ไขแล้วกลั้นใจเหมือนกับดำนา้าแล้วก็ย่อกายลง ค่อยๆสูบอากาศเข้าไปทีละนิดทีละนิดตอนนั้นไม่ว่าจะขาดใจตายซะแล้วอพออากาศเข้าไปได้นิดนึงก็โล่งใจเออไม่ตายและวรอดตายมาได้เกือบตายไม่เคยเป็นเลยแต่ว่าครั้งนั้นน่ะทั้งท้งที่เราก็ไม่ได้นึกมาก่อนว่ามันจะเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นตอนหลังก็มาถามแพทย์ถามว่าเ อ, อ้มันเป็นเพราะอะไรหมอปลาบอว่าไอ้ลิ้นไก่ไอ้ลิ้นที่มันปิดเปิดช่องหายใจเนี่ยมันอาจจะเกิด ชอกขึ้นชั่วขณะหนึ่งมันไม่ทํางานมันปิดแตมไม่เปิดเพราะไอ้ความเค็มจัดของน้ําเกลือหรือมิฉะนั้นก็เสเลดเนี่ยมันอาจจะไปอุดเพราะโดยปกติเราโอมน้ําเกลือน้ำเกลือมันจะกัดสเลดสเลดมันอาจจะไปอุดที่หลอดลมทําให้หายใจไม่ได้แหมก็รอดรอดความตายมาได้อย่างอุดวิดเนี่ยพอรอดมาได้ก็นึกถึงพุทธวจนะว่าแหมชีวิตของคนที่มาอยู่กับลมหายใจเนี่ยจริงๆ ท่านให้เราพิจารณาในมรณานุสติท่านบอกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยชีวิตเราฝากไว้ตรงนี้เท่านั้นเองถ้าหายใจเข้าไปมันไม่ออกหายใจออกมันไม่เข้านั่นคือตายจริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสทุกอย่างถ้าแก้ไม่ตกก็เป็นอันว่าตายพอแก้ตกหมดแรงเลยเพลียเกือบตาย งั้นพอได้ข่าวว่าคนนั้นสำลักอาหารตายคนนี้สำลักอาหารตายก็คงจะลักษณะอย่างเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้ภัยในชีวิตเนี่ยมันมีมากเหลือเกินแล้วก็ยิ่งเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยภัยมากบางคนบอกแม้ไม่อยากออกจากบ้านบอกทําไมมันมากเหลือเกินอันตรายเดี๋ยวจี้เดี๋ยวปล้นเดี๋ยวถูกจับไปเรียกค่าไถ่เมื่อไรก็ไม่รู้ในเรื่องนี้นี่เป็นภัยสังคม ภัยอย่างนี้อย่างน้อยมากแต่ว่าภัยในชีวิตที่จะทาให้ชีวิตของเราแตกดับเนี่ยมันยังมีมากกว่านั้น เ, ออเรายังเผชิญกับภัยต่างๆอีกมากมายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็เป็นภัยแม้แต่อากาศที่เราหายใจกันอยู่ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นภัยเป็นภัยแก่ชีวิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความเกิดเป็นภัยอันใหญ่หลวงของสัตว์ ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนๆเราต้องพบภัยทั้งนั้นและโดยเฉพาะภัยที่มันอยู่ประจําชีวิตของเราเนี่ยก็คือพยาธิภัยชราภัยและมรณะภัยความแก่ก็เป็นภัยความเจ็บก็เป็นภัยความตายก็เป็นภัยเป็นภัยเป็นอันตรายทั้งนั้นเนี่ยความเกิดจึงมีภัยมากอย่างนี้เมื่อเร็วๆนี้เราก็ทราบแล้วที่คนตายกันเป็นจํานวนมากนั่นก็ภัย นอนสบายสบายความตายก็คืบคลานเข้ามาเมื่อไรก็ไม่รู้ใครจะทราบล่วงหน้าว่าเนี่ยมันมีภัยอย่างนี้เนี่ยความเกิดเนี่ยจึงมีภัยอันใหญ่หลวงเหลือกเกินแล้วก็ส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยท่านบอกว่ามีปฏิสนธิเป็นภัยก็คือมีความไปเกิดเนี่ยเป็นภัยเป็นภัยของอาหารประเภทนี้เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงภัยในอาหารเนี่ย ท่านจึให้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปกว่าลิงการาหารมีอะไรเป็นภัยผัสสาหารมีอะไรเป็นภัยมโนสัญเจตนาหารมีอะไรเป็นภัยวิญญาณอาหารมีอะไรเป็นภัยเราก็จะพบว่ามีภัยต่างๆเหล่านี้กว่าลิงการาหารมีความใคร่เป็นภัยผัสสาหารผัสสาหารมีการเข้าไปใกล้เป็นภัยมโนสัญเจตนาอาหาร มีการก่อให้เกิดเป็นภัยวิญญาณอาหารมีปฏิสนธิเป็นภัยอาหารเหล่าเนี้ยมีภัยอยู่ทุกๆอาหารฉะนั้นไม่มีอาหารอะไรเลยที่ไม่เป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นความจําเป็นในชีวิตของเราเนี่ยแต่พร้อมกันนั้นมันก็มีภัยติดตามมาด้วยถ้าเราบริโภคอาหารกันอยู่เราก็จะพบกับภัยทั้งหลายเหล่าเนี้เพราะฉะนั้น สัพพุโตองค์จึงได้ตรัสสอนถึงเรื่องการบริโภคอาหารว่าการที่เราบริโภคอาหารกันทุกๆวันนี้จะต้องพิจารณาเสียต่อนการพิจารณาเนี่ยให้พิจารณาโดยข้ออุปรมาเพราะการอุปรมานั้นจะทําให้เราเห็นไยในอาหารเนี่ยมากขึ้นท่านบอกว่าบุคคลที่บริโภคกะวะลิงการอาหาร ให้พึงพิจารณาว่าเหมือนกับเราบริโภคเนื้อบุตรเนื้อบุตรนะั้นหรือเนื้อลูกของเราท่านอุปมาว่าเหมือนกับสามีพันยากับลูกเดินทางที่กันดานอดอยากเหลือเกินไม่มีอาหารจะกินไม่มีน้ํานจะกินผลสุดท้ายสองสามีพันยาเนี่ยต้องฆ่าลูกเพื่อกินเนื้อลูกแล้วก็จะเดินทางข้ามทางกันดาน ระหว่างที่แกฆ่าลูกแล้วกําลังกินเนื้อลูกกันเนี่ยแกไม่ได้กินด้วยความอริดอร่อยไม่ได้กินด้วยความยินดีในรสของอาหารนั้นเลยแต่กินเพื่อที่จะอาศัยอาหารเนี่ยประทันชีวิตให้เดินทางข้ามความกันดาล น, นี้ไปเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความยินดีหรือด้วยความอริดอร่อยว่าแม้เนื้อเนี่ออร่อยเหลือเกินน้ากินอย่างนั้นอย่างนี้แต่กินด้วยความจําใจว่ากินเพื่อ อ, อาศัยในการข้ามพ้นทางกันดานเท่านั้น ท่านบอก <c oughs> ชีวิตของมนุษย์เหรานี้ก็เหมือนกันมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เราจำเป็นต้องบริโภคอาหารที่เป็นกะวะลิงการอาหารก็เป็นประจำพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องกินอยู่แล้วแต่การกินอาหารเหล่านี้เราไม่ใช่กินเพื่อที่จะกินด้วยความอ ร, อร่อยหรือด้วยความกำหนัดยินดีแต่เรากินเพื่อที่จะประทังชีวิต กินด้วยความจำเป็นเพื่อท um ี่จะให้ช sí ีวิตเนี่ยข uh ้ามความกันดารไปได้ความกันดารในชีวิตเนี่ยคืออะไรความกันดารในชีวิตของเราเนี่ยก็คือความแก่ความเจ็บความตายเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องพบความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้แต่เราจะข้ามความกันดารในชีวิตอันเนี้ยไปได้อย่างไรเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมนั้นจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีอาหารบริโภค ฉะนั้นการบริโภคอาหารตะวันตะวันเนี่ยเราบริโภคเพื่อที่จะข้ามความกันดารในชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่กินด้วยความงมงายไม่ใช่กินด้วยความกำหนัดยินดีว่าอาหารนี้อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างบางคนเนี่ยจู้จีจ้ในเรื่องของอาหารและที่มีสตางค์มากขึ้นก็จะต้องบริโภคอาหารที่ดีขึ้นบางคนบอกจะต้องกินอาหารห้องเตะถึงจะดีอาหารห้องเตะเนี่ยจานหนึงตั้งเป็นพันพันบาทก็กิน ทั้งๆที่กินไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่เราะว่าอาหารเนี่ยมันจะอยู่ภายในภายในตัวเราก็คงจะไม่เกิน24ชั่วโมงจะกินอาหารอะไรลงไปสู่ภายในก็ตามมันก็เพื่อชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรเนี่ยไม่สําคัญในทางพระพุทธศาสนา น, นี้พระสงฆ์เนี่ยก่อนจะขบฉันอะไรเนี่ยท่านจึงให้พิจารณาเสียก่อน ไม่ว่าจะฉันอะไรก็ตามใครเขาจะให้อะไรมาพิจารณาฉันเสก่อนแม้อาหารนั้นจะไม่สะอาดจะปะติกูลยังไงก็ตามก็ให้พิจารณาเสก่อนแล้วจึงจะบริโภคเนี่ยเช่นอย่างครั้งหนึ่งพระมหากัรศบท่านออกไปบินธบามีสาธุชนผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนพิการเป็นโรค